ทำายเกิดฝ่ายดับก็เกิดดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ทำายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็เป็นเรื่องของผู้รู้และผู้ไม่รู้พระธรรมทั้งหลายเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลบเลือนไปทางใดเลยทำอ่านว่าทำคำที่เป็นโลกีก็เป็นจริงอยู่ ทำที่เป็นโลกุตระก็อเจียงอยู่ใครเป็นผู้เสวยพระินาลก็พระเนพาลเท่านั้นเสวยพระิพานาไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวกายป ร, รียาหกมีสักองไม่อยู่นี่มีไหมไม่มีปัญญาห้าฮะมีห้าเรียนปรเรียน ก็เรียนมโนกุพังขมาธรามามโนเสษ้ามโยมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจใช่หรือไม่ไปภูเก็ตพังงา2 4 0พันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามไนจภูเก็ตัาษาที่ภูเก็ตพังงาสามภาษาหรืว่ปรเทศเป็นหัวหน้าเพราะนักเรียนมาถาม เราไปเว่ยเวอยู่ที่อาวัยวริมมหาสมุทรอินเดียไปคนเดียวเพระพาะผ่านักเรียนมาถามใชไมนั้นอายุสี่สิบเดี๋ยวนี้มันแปดจบกว่าแล้วมันล่วงไปท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มหาดิกายกับธรรมยุทธใครดใครดีมาถามก็านาดำนาแดงใครดี ในายดำทำดีในายดำก็ดีในแดงทำดีในแดงก็ดีในายดำทำผิดในแดงในายดำก็ผิดความผิดความถูกไม่ขึ้นอยู่กับเนกายเราพูดอนยะ่างนั้นพระรบ ร, รมศาสนามาได้ยืนยันว่าธรรมยุทธและมหานิกายเป็นสาวกของท่านท่านยืนยันแต่ว่าสุภัจจพโนชโยยายะสามีเท่า น, นั้นเราพูดอนยะ่างนั้นนักทั้งท่านอยู่ในมรรคด้วยโสดาปฏิมคาคโซดาปฏิผล สักคาใครมากสักคาใครผลอาณาใครมกักอาณาใครผลอรหัตตมักอรหัตตผลเท่ า, านั้นเป็นสาวกของขังอัตถะโพธิสัพพุฆราบุรุษบุคคลทั้งหลายเปรตแต่ละพ่อละพวกก็มมีต่างล้านล้านนับเรียงองค์เป็นเปรตนัเป็นคู่ได้สี่คู่โซดาปทิมักโซดาปทิาาผลเป็นคู่ที่หนึ่งสักคาใครมกักสักคาใครผลเป็นคู่ที่สอง อา า, า, อ า, าคาริมอาาคารผลเป็นคู่ที่สามอาหัตตะมักอาหัตตะผลเป็นคู่ที่สี่เอสารพระกระบาดตัวเศร้ารการะสรั่งโขนี่เนื้อสาวกาของพระพุทธพราคเจ้าถ้าไม่ได้ยืนยันว่ามหาวิไกรหรือธรรมยุทหรือสายนั่นสายนี่เป็นสาวกาของท่านแล้วก็ตอบตรงไปเลยพูดอย่างนี้ก็พอฟังมากเพราะไม่เข้าข้างตัวแล้วก็พูดตามเป็นจริงแต่ข้าว่าก็เป็น ทูปเจตมโนโฉยายะสามีได้อยู่มันก็ขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้ามาแต่แล้วทุคคลทําแต่ลรัตระาบาดส่งต่อก็นิพพานหมดใครเรียนนโมจบก็พระอรหันต์เรือนนโมจบม น, น, น, โ, มบนโมแปลว่าน้อมน้อมน้อน้อมจะไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกน้อมน้อมจะไม่มามีเวลาฆ่าโทสะโมหะเลยนโมบางต้นเคือมามโนนโมพระโสดาบัน ปัจจุบันพระโสดาบันปัจจุบันสักทาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระรหันปัจจุบันพระปฏิเจปัจจุบันพระสมานาพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีน้ำหนักต่างกันตรสิกขาของพระโสดาบันตรสิกขาของสักทาคามีไตรสิกขาของพระอนาคามีตรสิกขาของพระราหันไตรสิกขาพระปฏิเจไตรสิกขาพระสมานาพุทธเจ้าจะเอามาเทียบเสมอกันไม่ได้ รู้พระสวัสดิ์บัณผู้รูปพระสักระตาคามีผู้รูป พ, พระอนาคามีผู้รูปพระอรหันต์ูรู้พระปฏิเจกาผู้รูปพระสมานสัพพะเจ้าแต่ปัจจุบันจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีน้ำหนักกว่ากันน้ำหนักของช้างน้ำหนักของราชสีในปัจจุบันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ทําแต่ละวรรบาตรส่งต่อพระเนปานหมดมันขึ้นอยู่กับบารเมฆากล้ามาแล้วเช่นบางท่านก็รัชโชระนรนางรัชังหาติ และโชวะหนังและชังฮารติอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นบริกรรมก็แต่ฉาเนี่ยปฏิสังขชาศีด้วยเช่นทีนาาคณะอาิเวศคณโคดไปฟังพระธรรมของพระบรมศาสตาที่ถ้าสุคราคาตาสุกรคาตาข้างพวกเขาคิดจะโกดแสดงคั้นท่าตอนชุดท้ายทีาาคณะอาิเวศคณโคดก็เพียงได้แต่สนาคมหรือดวงตาเห็นธรรมเท่านั้น ส่วนพระอรหันต์ทำงานพัดอยู่ข้างหลังส่วนพระสาริบุตรทํางานพัดอยู่ข้างหลังก็เอาพระอรหันต์ไปกินแล้วเช่นพระพาหิยะอย่างนี้พระประมาศาสตธารเทพบทเดียวย่อๆตอนนี้รบกวนพระพระมาศาสตาเทพเรากําลังเดินบินทบานอยู่มันก็ไม่เหมาะสมไอแ้แค่พระพระมาศาสตรธารรู้แล้วพอมองเห็นก็รู้แล้วว่าหมอนี่จะสําเร็จพระอรหันต์ใน ว, วันนี้ แต่ทําแต่พูดพอเป็นพิธีเพื่อให้พระทั้งหลายตามหลังเข้าใจความหมายแล้วกําลังบินทบาทอยู่ไม่สมควรเออบางทีพระพรทมศาสตราสิ้นลมบาณเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีกระผมสิ้นลมปาณเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่ศึกักว่ารู้เป็นแต่ศักว่าเห็นเออครับพอแล้วไปที่สามภิทาสีเอาไปกินแล้วแต่สานอัตนายธร ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพระบารมีของท่านแก่กล้ามาแต่ข้างพระเจ้ากัตถะแล้วเรื่องผลักบันไดพวกนักเรียนรู้จักดีเรานักเรียนรู้จักดีผลักบันไดเพราะชำนาญในสมาธิแล้วเปิดเทศอนัตตาให้ขณะคิดเดียวเท่านั้นเป็นแต่ศักว่ารู้เป็นทศักว่าเห็นคืออะไรก็คือมายึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล อาตวาทุปทานก็แตกก็เจออวิชาตนาอุปทานอาวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอายุธนาภาาัาพะเวทยุธนตนาอุปทานพบแ า, า, า่เทลามันละไม่ต้องเรียงแบบที่พระองค์เรียงแบบให้คนฟังเพะเพื่อให้สมภูมิและเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดถ้าอัตวาทุปาทานกามโมปทานเถอมันในกลามทิศทุปทานเทอมันในทิศถีคือความเห็น เพี้ยข้ตุปาทานถือมันในสินพรตต่างๆนานาสารพัดอัตวาทุปาทานถือมันวะทะวะตัวว่าตนทำลายอัตวาทุปาทานแล้วอุประทานทั้งหลายก็แตกกระเจิงไปณาทีนั้นเองไตรสิกขาสินสมาธิปัญญาก็รวมพลกันอธิสิทธาสิขาคือสิจิตคืออธิสินสิขาสิขาคือศินยิ่งอธิกิตตะสิขาสิขาคือจิตยิ่ง อธิปัญญาสิกขาสิขาคือปัญญิงก็รวมคนกันในขณะเดียวกันก็แตกก็จเจิงไปเลยนะครับพอแล้วกรรมฐานในพระพุทธศาสนามีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นอารมณ์ก็อรูปกรรมฐานถ้าไม่ติดอยู่ในรูปและอรูปแล้วก็ข้ามทะเลหลงไปซักกรรมฐานทั้งหลายในสี่ชิพห้องก็ดีหรือมากกว่านั้นก็ดี ก็จะได้อำนาจอัธิการเกิดขึ้น แ, แล้วกาแฟป่วยนี่แต่สลายอ่ะแม้นิโรธสมาบัติก็ยังกึดแปลดับเป็นเหมือนกันมันกําลังก็ถอนออกมารูปประชาติสีรูปชาติาสีก็เหมือนกันเหตุนั้นพระบรมศาสด า, ศาจึงไม่นิพพานในนิโรธสมาบัติไม่นิพพานในที่ใดสิ่งที่ใ ด, ดเลยเรารู้สมมติตามเป็นเกียงของสมมติเรารู้เวมุด ต, ตามเป็นเกียงของเวมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสอง เรารู้พันธุพานตามจริงเป็นจริงของพันิพานและรู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าเราติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งวิญญาณปฏิสนธิของเราก็ยังมีอยู่เหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจรึงไม่มีพวกนี้ได้ศึกษามาสูงแล้วก็ต้องเทศขั้นสูงมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระอรหันต์รักษาจิตไม่พระอรหันต์ไม่รักษาจิตเลย แต่ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์ไม่รักษามันก็ผิดจริงๆถ้าพระทหารรักษาจิตพระทหารก็ทุกตายเป็นคนคุมนักโทษพระเจงว่ามันจะผิดพระทหารไม่รักษาจิตท่านผู้คนไปแล้วก็จิตของท่านไม่มีเหตุไม่มีผลไม่คอยรับเอาเหตุเอาผลใดๆทั้งสิน้นเหมือนนกบินในอากาศเห็นแต่ตัวแต่ไม่เห็นรอย ถ่ายเอารอยไม่เห็นเหมือนมีเชียนน้ำเหมือนน้มามะพร้าวจะ ก, กิ้งไปที่ไหนมันก็ไม่มีตะกอนจะยุดอยู่ก็ไม่มีตะกอนเพราะเหตุใดเพราะอัตวาทุปาทานไม่มีในที่ใดใดอัตวาทุปาทานชํานละเอเยดอันละเอียดที่นอนในคันทะสนานพระอนาคามียังมีอัตวาทุปาทาน สำคัญอย่างนั่นอย่างนี้อยู่เก้าประเภทเป็นผู้เลิกกว่าเขาสําคัญตัวเลิกว่าเขาเป็นผู้เลิกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิกว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวเร็กว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นอนุสัยเหมือนกันเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขา เป็นผู้เล้ยงกว่าเขาสำคัญตัวน้กว่าเขาเป็นผู <clears throat> Finally, ้แลี้ยกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เล้ยกว่าเขาสําคัญตัวเร็วกว่าเขาความสําคัญตัวในที่ใดใดมีอุปทานก็ต้องมีในที่นั้นที่พระบรมศาสลาไป็นสวยมุติสุขอยู่ในรัชบาลนี้โคตรก็ดีหรือราชายัตนะก็ดีแห่งแห่งนี้เจ็ดวันเจดวันเจ็ดยัดสี่สุเก้าวันสวยภักระหาร ของนางสุดชาดาแล้วแบ่งออกได้สี่จุเก้าคำคงไปได้วันละคำก็สําเร็จสําเร็จพระรหาสแล้วก็ไปเที่ยวเสวยมุติสุขอยู่ที่นั่นที่นี่บ้างคาว่าไปเที่ยวมุติสุขไปเสวยมุติสุขนั้นเป็นคาธธําปุกกะลาทิฐานเพื่อให้พวกเราเข้าใจความหมายไอ้ที่แท้พระบรมศาสตราเสวยอะไรใครก็ไม่ทราบได้เพราะเป็นนิสัย พระเป็นพุทธนิสัยไม่ใช่เป็นสาวกนิสัยเช่นพระอนุรุท ธ, ธะตามพระบรมศาสด า, าในเวลาเข้าสู่อนุปาทิเสสสนิพานนะั้นไปจนถึงนิโรธสมาบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามได้เป็นบางข้างบางข่าวจะไปตามได้ทุกครั้งไม่มีเลยถ้าอย่างนั้นจะไปเท่าทันเทียมถึงพระบรมศาสต า, ามันก็เป็นศาสต า, าเสมอกันเท่านั้นก็ได้เป็นบางข้างบางข่าวทางนั้นไม่ได้ไม่ได้อยู่เป็นนิด เป็นภาษาในบทมีปัญญา ม, มากก็ไม่เท่าเชี่ยวของพระบรมศาสตราเหตุด้านพระบรมศาสตราจึงเป็นผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวงเป็นสยมภูเป็นผู้เหนือโลกทั้งปวงอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเพราะเป็นพุทธวิสัยไม่มีท่านผู้ใดจะไปรู้พระบรมศาสตราได้หมดทุกแง่ทุกมุมเลยพระบรมมศาสตรา หายใจเข้าข้างหนึ่งแล้วเลือกชาติได้ตั้งลลา้านชาติเว้นไว้แต่ไม่ต้องการทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นสิพระพบรมราสราเป็นพุทธวิสัยไม่เป็นหน้าที่ของสาวกจะไปรู้วาละจริตของท่านทุกๆขณะเลยเช่นทรงสรรเสริญว่าพระศรีวดรีเป็นผู้มีลาภมากอย่างนี้พอดีพระบรมราสราฉลาดในเทศจาวิธีก็ให ขะเนนตามฐานานุรูปไอ้แท้ๆใครจะมีราบมากัะเพียงไหนก็ไ่เที่ยวพระบรมศ า, ารานเลยนะจะมีฤทธิดเดชตะเพียงใดพระมกขลาลาก็ไปเที่ยพระบรมศาราจ ร, ร, าราิงเหล่านี้เป็นหน้าที่ท้าชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้นมิฉะนั้นแล้วจะทำตนให้เสมอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทาได้ ท้าไม่อยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ธรรมได้เหตุนั้นเราจรึงเขารับธรรมพระบรมศาสด า, ศาพระพุทธเจ้าจะมีกี่ะระดับพระองค์ก็มาสอนทำอันเดียวกันไม่ได้มีพรบรแย่งกันเลยทําเป็นโลค ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอยางความรักตาบาบความกลัวตาบับเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาก็มายืนยันอันเดียวกันไม่ได้รบร่างพรบรกันเลยถึงจะเป็นพุทธ เึงจะเป็นปัญญาธิกะศรัทธาทธิกะวิทยาธิกะก็ตามแต่เนื้อคำสอนอันเดียวกันเลยเพชกันจะสร้างบาระมีแก่กล้าน้อยหรือมากต่างกันเท่านั้นตามปัญญาที่กะตามศรัทธาธิกะตามวิทยาธิกะผู้ยินดีในศาสนาพุทธก็คือผู้สร้างวารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ยังไม่ยินดีพระพุทธศาสนาก็คือยังวารมีอ่อนอยู่สัตย์ในไตรโลกธา ก็ต้องมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดเสียก่อนจึงจะสามารถสำเร็จสุภิญญนโนอุชุยยะสามีเป็นตนไปได้พระ บ, บรมศาสดามาแต่ละครัง้งก็จะเท่าเขาโคเท่านั้นส่วนค้นโคไปทางไหนก็ทิ้งไว้ให้พระพุทธเจ้าองหน้าตามเดิมเขาโคนั่นเองก็นับตั้งเป็นลานราดกดโกดผู้จะไปมรรคผลจะผ่านได้ไมีมากไหมพระเจ้าข้าเออ เอามือลงในแผ่นดินนี่แล้วติดอยู่ที่มือนี่เท่านั้นแต่ละยุคละยุคถึงอย่างนั้นเราก็อุตส่าห์สัดสี่เท่าสองเท่าสัดเสือกสัดครานสัดน้าในในน้าดำในดินบินในอากาศก็จะไปพระใิพานหมดแต่ยังไม่ทันมีจิวแต่มาเมรีอมใสพระพุทธศาสนาเชียก่อนจึงจะสามารถชุปฏิปันโนชุยยยะสามิิเป็นลาดับได้ มีในมหาปรินีพานสูตรตอนชุพะทะไปกราบทูลพระบรมศาสดาสัมภะอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยัญยะทวีีของเขาจะมีชุพชญโภชุยยัญญสามมีจิบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าญาณเลย่าเลยญาเลยญาณเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดข้างเข้าข้างคำเหตุฉะนั้นเราจึงเข้ารกักรำแลทุนิยมเราก็ชมวันดีอยู่แต่เรา แต่อยู่ในโอของอริจจังเหตุไหนอาราะดาบทุตกระดาบทรามาบทจึงไม่สามารถสำเร็จพระโสดาวันได้มีอะไรเพราะเหตุอะไรเพราะเข้าถึงรูปประชาชนรูปประชาแล้วในวาสัญญาดนาะสัญญาอตตะแล้วเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่บริกรรมอยู่ตายคากันแล้วก็ไปเกิดแปดหมื่นสี่พันไปเกิดในอรูปภพแปดหมื่นสี่พันกับพระบรมศาล า, าสาสเร็จพระทหารแล้วสําเร็จธรรมมาธรพุทศอาหารหันแล้วจะไปเทศนาเอาท่านก่อนก็รู้สึกว่าเออขึ้นลมปานไปแล้วเจ็ดวันเสด็จห น, หนอถ้าเราหากมา แค่ได้ฟังแล้วก็จะถึงสุจภจรปณโนแต่นี้ไี่เช่ดาดหนอไปแล้ว ป, 14, ร ป, ประยัดมืนสีพันขับอรุปรผมเพราะเป็นโลกีอยู่ไม่ใช่โลกุตระทำไมจึงไม่ถึงโลกุตระก็เพราะเหตุว่าอัญญสัตุตเทศถือศาสตราอื่นอยู่ยังไม่ยอมตัวถือพระพุทธศาสนาฉ ะ, ะาพิฐานเานี่ฉะชาพิฐานะนี่อาพระโภกาตรง มีทำปีทั้งเครัตาานังปณิตังเอเตีนะสตินะสวัสดีวัตถุถ้าสวยาบันไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นในอนันตริยกรรมหกมีอยู่พวกเราได้เคยได้ยินแต่อนันตริยกรรมห้ามาตัวข่ า, า, า, าข่ามัญจาพิทุฆ่าขาเบิดาอนัทธะฆ่าข่าผรานโลหิตุบาททำลายถึงสยองโลหิตยยอะไอข้เกิดไปสังฆเพศย่างเขาคแตกจากกันอัญญสัตว์ตุเทศถือศาสตราอื่นไม่สามารถจะ สำเร็จพระสุปฏิปนโญโชยยะสยาเมจได้ชาจาพิษานาเนีน่้พระโฟกาตุงมีดำปีสั้งเครัตนางบริตังเอเจนสเจเนสวัติงอดูมีในรัตน ส, สูตรสูตรอันนี้เป็นสูตรของพระโวดาบันจริงไหมท่านมหาจริงไหมน่ะ <laughs> ผมมาเรียนมหาดอก <laughs> เป็นปลาโร ก, กับพวกที่เรียน มันสะดวกดีเพราะผู้เดินทางถ้าทิ้งเข้มทิแล้วไปไม่รอดนักบินก็เหมือนกัน ท, ทิ้งเข้มทิงเมแล้วไปไม่รอดนักข้ามทะเลก็เหมือนกันทิ้งเข้มทิศเราก็ไปไม่รอดเดินทางมันมีเข้มทิศไปไม่รอดทำแต่ละวันละบาทส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับบาลเมฆาข้ามาแล้วให้ผมตอบรักธรรเอกทุกวันนี้ยผมไม่ตอบมือเก่าแด้ว ผู้ภาวนาพุโทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะหรือปรัชนาเล่าทำไมสองพันสี่รเจ็ดสิบหาหรือที่ไหนไม่ทราบเราลืมไปซักคำถามของนักธรรมเอกถ้าจะตอบให้ถูกกับสนามหลวงก็บอกว่าผู้ภาวนาพุโทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะเท่านั้นเพราะสามารถถึงอุปจารสมาธิไม่สามารถถึงอั ป, ปนาสมาธิตอบในสนามหลวงก็ต้องเขาให้ถูกเนี่ย ถ้าจะให้ผมตอบทุกวันเนี่ยผมไม่ตอบอย่างนั้นเพราะผมเนี่ยภาวนาแล้วผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะว่าเป็นสมถะหรือปัจจนานั้นก็ยังไม่เจอมันก็ขึ้นอยู่กับผู้บารมีแก่ข้ามาแล้วยกบัตถหอเมื่อเวลาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั้นนึก ขึ้นเห็นคำวบริกรรมของตนเกิดดับอยู่แต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เกิดไม่ดับไปไหนถ้าเห็นควบกันอยู่ในเวลาปัจจุบันนั่นแล้วจะว่าสมถะล้วนๆก็ไม่ถูกเรียกว่าวิปัชนากับสมถะโกมกืนกันไปยกมุธหอนเช่นผู้บริกรรมละโชว์ละหนังละชังหานติอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนาทาไมจึงแตกคาฉานในปฏิสัมพิทาสีเล่า ก็นเนื่องด้วบารมีแจก้ามาต่างกันและมียานสัมพยุตต่ตางกันยานสัมพยุตตงไม่ใช่ยานเวปยุตเราจะตอบอย่างนี้แค่านั้เรียนจะให้เราผิดแล้วก็ไม่ยอมทีนี้ทําไมจึงไม่โรกีได้โลกรัตระมาพนเปนกันปัญหาข้อนักธรรมเอกผู้ขึ้นปู่ขึ้นเดียวนี้ท่านมหาตอบ ทำไมจึงมีโลคีและโลคตระมาผลเปกันลุ่งเหวเต็มกีโลกีศีลโลกีเชมาทิโรกีปัญญาทำไมจึงจึงมีโลกีมาปนเปนกับพระพุทธศาสนาอามากนะักตอบท่านมหาฮะให้พผมตอบผมก็ตอบไปบ้าบ้าบบกั บ, บ, บ, บผมแหะผมจะตอบอย่างนี้ที่มีโลกีมาปนเป น, นั้น ยกกระท้อนอย่างหยากก็พระเอาพ่อตากับลูกเขยไปนั่งเตียงเดียวกันพ ร, พระพระุทธศาสนาไม่ใช่โรกีเป็นโลกุตละทางนั้นเพราะท่านยืนยันแต่ชุบปิปันโนเป็นพรหมจันทร์เบื้องต้นของท่านแต่กูอย่างเนี้ยเนื้อรองด้านก็เอามาก้าวกายพระพุทธศาสนาเอารัที่อื่นมาชกมวยกับพระศิษถะเราจะว่าทางนั้นเอามาเทียบเอาแม้ดพันประกาศไปเทียบกับ ภูเขาหิมาอะไรเราจะพูดอย่างนี้จะผิดใจใครก็าตามเราพูดตามเป็นจริงอธิแท้คําสอนพุทธศาสนาเป็นโลกุตระทั้งนั้นไม่ใช่โลกีเลยบุคคลที่ควรเชื่อได้ขึ้นมามาพูดขึนในธรรมสามอย่างหรือสองอย่างในอา น, นิยต์นั่นก็คือพระโสดาบันเราดีๆนี่เองใช่หรือไม่ตระกูลอันเซกะมาโมโยโภต้องปาิเทศนิยะก็คือพระโสดาบันใช่ไหมหชุดปฏิป น, นุเป็นโลกุตระ ศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาบานหน้าเข้าสู่พระเนรพลพระโสดาบันเอกพิสีโคลังโกละสตะกตุปรมาก็ตามก็บานหน้าเข้าสู่พระเนรพลพระก a t h คามีก็บานหน้าเข้าสู่พระเนรพลบาปก็นับวันร้อยหลอไปไม่ได้วนเวียนในบาปส่วนบุญก็บานหน้ามาหน้าไปถึงอรหัตธรรมพอถึงอรหัตผลก็เป็นผลขาดตอนไม่ได้เชื่อมโยงมหาเหตุ บุญในทางพระพุทธศาสนามันหยักถึงโลกุตระบุญก็บัญญัติถึงพระอนาคามีโลกุตรบาปก็บัญญัติถึงมหาวิสีนรกหรืออ น, นันตยกรรมห้าหรือหกส่วนพระทหารเหนื้อบาปแล้วบุญไปแล้วเพราะบุญก็สร้างพอแล้วบาปก็เว้นพอแล้วก็เลยเนื้อบาปแล้วบุญไปถึงอย่างนั้นก็ยังเคารพธรรมลยู่าสัตรธรรมโคะลูกาตโบุญแล้วปฏิบัติเพื่อบรรลุนะว่ า, าตาสงสารปัญหามันก็ไม่มาก ที่ปัญหามันมากอยู่ก็พราะเห็นนะก็เพราะมีกิจเจตนาเพื่อปัจจัยฉีกิวเมนมทบาทเซนาสนะและเภสัชวัตถุนินยมเราก็ชมว่าอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอ น, นิจจังใช่หรือไม่เห็นอ น, นิจจังคณะจิจหนึ่งเขเห็นรอบรอบหนึ่งแล้วใช่หรือไม่เห็นทุกคณะจิจหนึ่งเขเห็นรอบรอบหนึ่งแล้วใช่หรือไม่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนคณะจิจหนึ่งเขเห็นรอบรอบหนึ่งแล้วใช่หรือไม่เอ้า ทุกคั้งนี้จังอนัตตาอยู่คนลัเป้าหรือไม่ก็อยู่เป้าเดียวกันนั่นเองจับหนังก็ถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกันเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นแก้มเห็นจมูกกันเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป้าทุกขังอยู่เป้าหนึ่งเป้าอนิจจังอยู่เป้าหนึ่งเป้าอนัตตาอยู่เป้าหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นอยู่เป้าเดียวกันทําไม่มีแต่ฝ่ายอสังข์หูสังข์หูก็มีสังขาหูลงสมพราะลงถึงใจใช่ไหม อสังเขาะหัไม่สงเคราะขยายออกเป็นมูลกระจายมากก็มากออกคปจากใจใช่ไหมน้อยก็น้อยลงมาหาใจใช่ไหมย่นก็ย่นลงมาหาใจย่นไตรสิขาลงมาเอกเนียบาดคือใจมโนระฟังขมาธมามโนเสรษฐะมโนวิยาทั้งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ถ้าจะว่าเป็นสองก็กลายกับใจถ้าว่าเป็นติการเนีบาดก็กลายวายกายใ จ, ใจถ้าเว้นว่าเป็นเจตุการเนียบาตก็อธาตุสี่ หรืออริยสัจสถ้าจะว่าเป็นปัญจาการียบาทก็ขันห้าเป็นต้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาถ้าจะว่าเป็นหกก็ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจใช่หรือไม่ทีนี้ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจย่นลงมาเป็นสองตาหูจมูกเลี้ยงกายย่นลงมาเป็นลูกขันซัรูก ป, ประทัดก็ว่ารูปประทรมก็ว่า รูปประขันกว่ารูปสังขารกว่าเกิดขึ้นแล้วก็แปลผลแลแ้วแจกจะลายใจย่นลงมาในนามขันซักแล้ที่ประธานเีก็ย่นลงมาเป็นสองอย่างเหมือนกันกายเวทนาคิดธรรมกายก็เป็นกายตามเดินเวทนาจิดธรรมเป็นนามนามขันก็ว่านามโลกก็ว่านามธรรมก็ว่านามธาตุกว่ารูปประขันรูปประโลกรูปประธาต์ก็เหมือนกันเกิดดับเป็นพวกนี้ทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตา พรชอบเรียงแลดูรูปไม่เบื่อไม่นายเลยทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูพระชอบฟังเสียงไม่เบื่อไม่นายเลยทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกพระชอบดมกลิ่น ม, มนัสฉมิงเป็นเนบินนะเตก็นายใจรูรปแปซุเป็นเนบินทะิต น, นายตาของจมูกเลี้ยงกายใจ ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยถ้าไม่นายก็เป็นราคชินาโทศินาโมหศนาเพราะไฟเกิดขึ้นจากไงไฟสื่ออะไรคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะคําว่านายตาหูจมูกเลี้ยกายกาไหนขันท่าจะนายด้วยวิธีไหนหนายผู้ไปหลงตาลูกขันนามขันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นบุคคลนั่นเองนายผู้ไปหลงยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัต์เป็นบุคคลก็คืออัตวาทุปาทานเราดีๆนี่เองใช่ไหม โอก่าโอค่าคือกรรมพโะบูค่อค่ะคือภพทิศโฉค่าโอค่ะคือทิศทิอวิชโฉค่าโอค่ะคืออวิชชาเยอะอค่าสี่อาสะระสี่เหมือนกันนะพระบรมศาสดาถีงให้เราเข้าใจชัดแน่ถูกไหมท่านมหาถ้าไม่ผิดก็ถ้ามันผิดก็บอกมาผมมาเรียนเหมือนท่านฮะไม่ผิดนะพราที่เกียดติคัดค้านใช่ไหม ผู้สนใจในธรรมชนะธรรมทั้งปวงเป็นห่วงบุตรธิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ทราบธรรมพระบรมศาสตราเป็นห่วงพระราหุนเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกใช่ไหมเห็นอันนี้จังคณะเกณฑ์หนึ่งให้เราเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพระเนานมีในโลกไหมพระอหันต์มีในโลกไหมถ้าจะตอบในตามปรมัตาแทศไม่ต้องตอบเป็นบุคลาธิฏฐานที่ว่ามีพระอหันต์อยู่ในโลกเท่านั้นองค์เท่านี้องค์นั้น บอกเป็นปุคลาทิษฐานเพื่อให้รู้จักความหมายกันไอ้ที่แท้พระฐานพี่ว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกพระเบื่อนายโลกแล้วพระพ่นไปจากโลกแล้วทําไมจึงว่าพระทหารเกิดขึ้นในโลกสิบหกหกสิบองค์หรือเท่านั้นองค์เท่านี้นองค์ก็พูดเป็นบุคลาทิษฐานบุคลโอปรับปตนะิตอบตามบุคลปัญญติถ้าตอบตามปรมัติแล้วพระทหารพี่ว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกเช่นพระญมกะหาพระรหาร ในโลกไม่เห็นเลยโลกตาหูสมองเรียนกายใจพญมากระ ห, หาพระรหันในขันห้าไม่เจอไม่เจอบไม่พบไม่ประไม่เห็นเลยขั้นห้าคือหาในกองนามรูปก็ไม่เจอไม่เจ็ไม่เห็นนั่นก็เป็นแต่สักผมนั่นก็เป็นแต่สักว่าขนนั่นก็เป็นแต่สักว่เล็บผมขนเล็บฟันนังเลือดกระดูกแย่เนกระดูกมากเพรใจตาฟางผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอ่อานหม า, อ, า, อ, าอ่านเก่านี่ก็เป็นท่านดินสร้างแยกท่านดินออกมาไวนี้ ดีเสลีน้องเรื่องอะมันค้นนาตาไปมานํามายนํามูกนำไข่ข้อนำโมดเป็นธาตุน้ําที่นี่ลมพัดขึ้นบางบนลมหายลมเลยลมอ้วกลมพัดลมบางต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมพัดใจเข้าลมหัดใจออกนี่ก็เป็นธาตุลมไม่ไม่ไม่ไม่แยกออกละดินน้ำลมไฟที่ยังกายให้ป่วไฟที่ยังกายให้ทุดโทรมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ร่อยอันนี้เขาเป็นแต่สัก์ธาตุใจหาในรูปขันมาเห็นใช่แล้วหาปัญหารในรูปขันมาเห็น นี่ก็ดินนี่ก็น้ำนี่ก็ไฟนี่ก็ลมหาพระรักันในนามขันที่นี่เวิทยาศรความสวยศพทุกอุเบกขาก็เป็นแต่สักวิทาศาสตร์สัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสกูปรสัญญาสัทตะสัญญาคันทะสัญญารสัสัญญาผลพภะสัญญาธรรมะสัญญาก็เป็นแต่สักวิสัญญาหาพระรักันในสังขารอันปุงแต่งเกิดขึ้นดีชั่วขณะกาเรียพยากิีเรียกว่าสังขาร หาพลังงานในวิญญาณใี่ีหมจักุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตวิญญาณวิญญาณทางหูใคนะวิญญาณวิญญาณทางเลี่อนกายอากวิญญาณวิญญาณชิวหาวิญญาณวิญญาณทางเลื่อนกายอยวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณวิญญาณทางใจก็เป็นแต่สองวิญญาณหาพรลังงานในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เจอเลยใครใครเป็นผู้สวยพระเนปานก็พระเนพานเท่าน like ั้นสวยพระเพปานไม่เป็นหน้าที ok um> ่สังขารจะไปก้าวกายถูกไมท่านมหา <laughs> คำพูดแต่ละอย่างละอย่างนึกขึ้นแล้วก็พูดก็ล่วงไปแล้วอคืออันนี้ตังอันละเอียดยเมจีสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นก็คือว่าจีสังขารกิตตาสังขารก็ดับไปเหมือนกันเห็นฉะนั้นจึงบัญญัดว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าจิตเป็นพระนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานต่างหากกิตตา จะออกจิตเป็นพนิพามันก็ไม่ถูกเพราะมันมันไม่เป็นฐานะแกจะตายแล้วจะเรียกว่าคุณหนูอยู่มันก็ไม่ถูกเพราะมันกลายเป็นธรรมอันไม่เกิดไม่รับแล้วถูกไหมแกจะตายแล้วก็จะว่าเรียกว่าคุณหนูอยู่มันก็ไม่ถูกเพราะเลื่อนตำแหน่งก็แล้วน่ะเป็นกลายเป็นธรรมอันไม่เกิดไม่รับไปแล้วนะทีนี้ด่วนไหมเดี๋ยวนี่ยออกจากนี่จะไปไหนกับกรุงเทพนะถ้าอย่างนั้นก็ให้พรกันนะก็เป็นการแลี่กันนะ ถ้า พ, พูดจะกลับกรุงเทพก็มีอยู่ถ้าท่าอย่างนั้นก็ทำาะไรแล้วซัที่นี่ท่านเพือ่อใดจะพูดอะไรขึ้นมาก็พูดสะเดี๋ยวว่าพูดคนเดียวน่าเบื่อแล้ว ก, กันหลวงปู่เนี่ยม่ให้ไม่ให้เรามีชิดเลยเดี๋ยวจะพูดอย่างนั้นคนจะมีมากท่าทหรก่ก็ตามก็มีแต่สังขารเท่านั้นในตะรโรคธาตยัดเยีดยดไปด้วยสังขารสังขาราปรมาทุก ข, ขา สังขารเป็นทุกอย่างยิ่งก็หมายทั้งสังขารที่มีใจครองแล้วมัในมีใจครองด้วยบอกเพ่งไว้แล้วสิ่งไหนที่มันปิดบงังพระบรมสตราก็เปิดเผยไว้แล้วดีมีสองดีในโลกีดีในโลกุตระดีในโลกุตระมีสี่ชั้นหรือแปดชั้ น, ด, ด, นดีที่สุดก็คือพระนิพพานดีที่สุดก็คือพระอรหันต ดีบ้างต้นคือซุปเปอร์โนดีบ้างท้ายคือพระรหันต์แต่พระรหันต์ไม่ติดอยู่ดีหรือไม่ดีเราจะมาหาพระรหันต์ในโลกมันไม่เจอไม่เจดไม่พบไม่ปะเลยถ้าต้องเบื่อหน่ายความหลงของตนซักที่เคยหลงมาข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงจะเอาอะไรข้ามความที่เกียบก็เอาความขยันเท่านั้นข้าม เ <IL EN C IO> จะเอาอะไรข้ามความหลงก็คือเอาความไม่หลงเท่านั้นข้ามพระบรมศาสด า, าสอนให้พิจารณาขั้นห้าไม่ใช่จะให้เอาแบกขั้นห้าไปพรนธุ์านด้วยสอนให้เบื่อน่ายความหลงของตนที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองมีความหมายเท่านั้นไตรชิกาลรวมพลอัลที่สิทธิขาสิขาคือศิ้นยิ่งอนที่ิตตสิขาคือ ศึกขาคือจิตยิง่งอาที่ปัญญาศึกขาศิกขาคือปัญญายิ่งกลมกลืนกันอยู่ศิ้นสมาธิปัญญาไม่แยกไปอยู่คนละมุมโลกสิ้นสมาธิของปัจดาบันศิ้นสมาธิปัญญาของปัจดาบันสิ้นสมาธิปัญญาของสกทาคามีศิ้นสมาธิปัญญาของพปานาคามีสิ้นสมาธิปัญญาของปรารานมันจบแล้วอันนี้เป็นมหาศิ้นแล้วเป็นมหาสมาธิแล้วเป็นมห ah าปัญญ ah ah ากลมกลือนกันอยู่ในปัจจุบันใช่หรือไม่อ่ะ เป็นไตรสือขาอันนอกเขตนอกผนแล้วจำก่อนนั่นลงมาพระบรมศาราไม่เอ่ยพัจจุบัพิเพื่อคนทุกข์ในว่าต้องสารปัญหาไม่มากทำายเกิดไฟดับก็เกิดดับอยู่หาตะหว่างไม่ได้ใครจะรู้แล้วไม่รู้ไม่เป็นปัญหาทำายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่หาตะหว่างไม่ได้ใครจะรู้แล้ไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาไม่จกกระียนเลย พระบรมศาสตาบอกให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงจึงเป็นยถาภูตยางในตัณมามาในโสหามัตสเมในมโสอัตตาติเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดพระบรมศาสด า, ศาเพราะนี้ผ่านไม่ใช่ผู้รู้เนื้อผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายถ้าหมายอยู่ก็พอมันเหมือนก็พอมันหมุนก็พอมันหมันนี่เองใช่หรือไม่เอาละทีนี้พูดมากโกหกมากถ้าเข้าใจว่าท่านโกหกเรามีอิท สละอยู่แล้วก็จะไปเยี่ยกเชื่อสิถูกไหมที่นี่ท่านผูใ้ใดจะพูดก็พูดจงทายซะเดี๋ยวจะได้จากกันอยู่ใกลกันขอบฟ้าต่างฝ่ายตา่างปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์อยู่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยทาเลยพระบรมศาดาถูกไหมสันทิตที่โกของพระสวัสดาบัน สันทิฏฐิโกของสัคาคามีสันทิฏฐิโกของพระอนาคามีสันทิฏฐิโกของพระอรหันต์เห็นจบแล้ว่ะสันทิฏฐิโกของพระชวัดบาลเป็นสันทิฏฐิโกเป็นเอกเทศใช่หรือไม่สกคาคามีอนาคามีก็เหมือนกันสันทิฏฐิโกเห็นเองของพระอรหันต์นั้นจบแล้วใช่ไหมประจักรังก็เหมือนกันบอกให้ไปแล้วก็พูดอยู่ก็ไปไม่ได้แล้วไปจําตัวยื่น อยาอ๋อลืมไปลืมไปลืมไปให้พรนะเดี๋ยวเดี๋ยจะเอาพรอยอดหรือเอาพรพิษดานรนะเอาพรพระเจ้าหรื อ, อพรพ เ, นะเอาพรพระเจ้านะเอาพรพระพุทธเจ้าหรือจะเอาพรของพระจอมเก้าสัพพุทธาพระจอมเก้าหรือหรือจะเอาพรสิทธิสิติ หรือจะเอาพอรอะไรเออถ้าจากนั้นก็เอาย่อยอๆก็ได้นะเพราะไม่ใช่คนเพราะไม่ใช่คนใหม่ยะทาวาเีวะหาปูราปะเรปูเรนติซาคลังเอวามวายโตตินังเปตตาดังอุปกะปติวิจิตังปิจิตังตูมหังเขวามีวะสเมษสัตตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทพนารโสยะถามณีโสเจระโสยะถาสปีติโยวะจันโทสัะตุโผลัปปะโยสัปะโรโเวนัน เจตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวอภิวาธนาสีนิจานิจังวุฒาปิจายโนจัตตารธรรมาวัทันติราโยนโนสุขังพระังด้วยเตพระพุทธศาสนา อันทรงพระคุณข้ามานมีประมาณแล้วก็ทรงอยู่มีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กัผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่ก็ดีที่มาในมาในที่นี่ก็ดีทั้งทั้งไตรโรกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรธรรมพุทธศาสนาเขาพระสมานพะพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุก้อยชอบด้วยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอ ย่อ <God. S 2> <laughs> พุทธธรมสงฆ์นิพานพุทธธรรมสงฆ์นป่านพุทธธรรมสงฆ์นป่านพุทธธรรมสงฆ์นป่านพุทธแท่รรมแท่สงแท่ไปรวมชิวกันเที่บกันนป่านถูกไหมธรรมหาพุทธธรรมสงฆ์นิพานพุทธธรรมสงฆ์นิ่าน พุทธธรรมสงฆ์เนารถสองคันเลยสามคันพระพุทธเจ้ามากกว่าร0อยโกดอเนตษะตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร0อยโกดที่ล่วงไปแล้ว ที่จะมาในข้างหน้าก็เหมือนกันก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้มีพรบรแย่งกันเลยสัตรทสเทวมนุษสานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายสอนอันเดียวกันทำเป็นโกกรกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความะอายตาบาาความกว้ า, าตาบาาเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ไม่ใช่ลูกระเบิดปรมาณูไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่ลูกเอ็มชีหกเอ็มสามสองอะไรเลย ถ้าละอายตบาบาปถ้ากลัวตาบาบแล้วมันก็ไม่ไปร่วงละเมิดศีลห้าที่มันไปนร่วงละเมิดศีลห้ากับพระไม่ละอายตบบาปกลัวตาบาบถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์เมื่อรู้จักเรียงสามานับตั้งแต่อายุเจ็ดปีส่วนบ้าบ่ายเสียชื่อผิดมนุษย์เขยยายกไปซะส่วนนับแต่อายุเจดปีรู้เรียงสามาแล้วมีศีลห้าบริบูรณ์หมดนี่ วัดชาวโลกสงครามก็ไม่มีตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีเส้นตรวนก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีบุญแกก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างนั่นโรคเอดสก็ไม่มีเพรามีขอบเขตเพราะกามีสวิทช้จานไม่ล่วงละเมิกันนั่นมุสาวาทโทษกดก็ไม่มี ฆ่ากันตายก็ไม่มีอย่างมากกา็โรคเวียดเวียนตายหรือหลีกรดหีกเกลือไม่ทันเวลาเผอชนกันตายเท่านั้นจะฆ่ากันตายอยู่ทุกหย่อมหญ้าไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาขิดขวางอยู่ในโรคนี้แล้วโรคของเราจะเป็นยังไงมันก็กลิ่นเหม็นเราดีๆนี่เองพระเเผวและฝังไม่ทันนี่มีพระพุทธศาสนาขิดขวางอยู่จึงมีรัฐที่อื่นๆมาแข่งขันกันด้วย พอเป็นหมูกันไปในตัวบ้าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วทะเลน้ำตาทะเลเลือดเต็มโลกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณหนู ừ, คุณ น, น้องคุณนุ่งคุณนุ่งคุณน้องคุณป้าคุณลุงสวัสดีดอกหรือมาจากไหนก็มาจากอายุวนโนสุ ข, ขังพลังของพระใช่หรือไม่นนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา แทรกแซงอยู่ในโลกแล้วก็เสียงสาบเสียงแข่งเสียงร้องไห้ร้องหมเสียงด่าเสียงปืนสารพัดวัดเรียงพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนดงเราก็เหมือนอยู่คงเชีบด้วยพระพุทธศาสนาที่น่าลงจา ก, กจิตใจของพวกเราเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมดหม้่ยสุดสิ้นสกุลพุทธไครลานไครกร้าวชาวพุทธ ผลของกรรมอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีแล้วใช่กฎหมายใดๆของชาวโลกก็ตั้งมาอยู่อูของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยชาวไตรโลกายาประมาทพระพุทธศาสนาเถินมันไม่อยู่สงสัยอะไรอีกสินี่ทำเบื้องต้นทำเบื้องกลางยังมีอีกทเบื้องท้ายยังมีพระพุทธศาสนา รำมนุษย์ฝ่ายมนุษย์สมบัติเนี่ยฝ่ายฝ่ายสวรรค์สมบัติยังมีอีกผู้ภาวนาพุทธโธพุธโธอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ดีตายเวลาไหนก็ไปสวรรค์เวลานั้นพุทธโธธโมสังโฆเป็นเชือกสามเกลียวรวมกันอยู่เหมือนเราเห็นหน้าก็เห็นตากันแต่พูดอักษรย่อเฉยๆว่าพุทธโธไอ้ที่แท้ธโมก็อยู่ด้วยกันสังโฆก็อยู่ด้วยกันนั่นเองเพราะเป็นเชือก สามเกียวเหนี่ยวรั่งอยู่ที่ดวงใจของเราเหตุนั้นเราจึงพิเสธว่ายังเกณฑ์เจรตระนังโลเกวิตสติวิวิธังพุทุรัตระนังพุทธะสมังนัติตัดสัมมโสดที่พวันตุเตรตระนัอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีนัตถิเมสนัตตังมันยางชนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เท่านั้นเป็น คณะอันประเสริฐเขาเข้าไปเจ้าด้วยกล่าวคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแกเราเรียกว่าปฏิญญาเนี่ยและเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อตามเท่าเข้าสู่พระพ涅นและเลือกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระ涅นและเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอขมาโทษด้วยกายวาจาใจต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระยสงฆ์ข้าเจ้าผูกขาจองขาดอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเราอธิษฐานไปแล้ว เราตั้งสัตยาธิษฐานไว้แล้วเราอธิษฐานไว้แล้วเราตั้งสัตจะไว้แล้วถึงแม้เราลืมก็ค่อยๆกับว่าเราภาวนาพุทธโธอยู่ไม่มีการวันกลางคื น, นเราก็ต้องมีปัญญารัดกดิเดกของเราไว้และเลิกได้เมื่อเลิกได้ก็ดีพุทธัสสหัดสมิธาสธรรมสหะหัดสมิธาสวะขอเป็นธาตุข้าเป็นธาตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ท้อว่าไม่มีประมาณดาบเท่าเท่าสูงวิญญานกัจจุบรนณาธิปไปด้วยบาธรรมอนไรที่ รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงจงปฏิบัติตามเป็นจริงจงรู้ตามเป็นจริงจงลดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลืออยู่ทึกวัาเถิด น, นี่หมายความผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันในาชาติ Lind, กับปัจจุบันกิจกับปัจจุบันธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจบุบันในชาติเห็นอ น, นิจจังคณะเจนหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว หายใจเข้า อ, อย่างนี้ก็เห็นอนิจจังขณะกิจกนนหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วหายใจออกอย่างนี้ก็เห็นอนิจจังขณะกิจหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว <ie> เห็นทั้งทุกขังและอนัตตาอยู่พข้ากันด้วยเพราะลมเป็นแต่สักพ้อลมใจเป็นแต่สั์พ้อใจผู้รู้เป็นแต่สักพ้อผู้รู้รร ق. อันนี้หมายความว่าผู้หวังคนทุกข์ในปัจจุบันไดชาติอดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคต Stan คือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไร คืออันนีจังทุกขรังอนัตตาที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือทุกขรังงในจังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออันนีจังทุกขังอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่นี่พูดขนาดทำชั้นกลางพูดขนาดทำชั้นสูงนี่สูงสุดอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ร่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่ยังกําลังเป็นอยู่เราจับรูป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 เราจึงข้ามทะเลหลงไปซักชนะก็ชนะตนเองแพ้ก็แพ้ตนเองชักก็ชนะกิเลสของตนเองแพ้ก็แพ้กิเลสของตนเองชนะแพ้ในทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสนาแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็มีแต่เวนสนองเวนไผ่สนองภัยเท่านั้นเองนะถูกแพ้กิเลสเอา้าใครหาความสุขในโลกเจอเจอ พบปะพระท ห, หารหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเหตุ น, นั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงด้วยพระสติพระปัญญาอันเหนือความหลงของตนข้ามทะเลหลงจะข้ามความขี้เกียจก็ ด, ด้วยความมันจะข้ามความตันเก็ด้วยการให้ทานจะข้ามความโหดร้ายก็คือการรักษาศีล อยากมีเสน่หก็จงให้ทานอยากมีอายุยืนนานก็จงรักษาศีลไม่อยากหลงก็จงภาวนาพระบรมศาสนสอนธรรมชั้นสูง ช, ชั้นกลางถอยไปถอยมาอยู่อย่างนั้นอถอยมาปารัชชั้นต่ําว่าชั้นกล า, างว่าชั้นสูงว่าเหมือนเราขึ้นบันไดเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแต่ไม่หนีจากบันไดเหมือนเราหายใจเข้าเราหายใจออก หายใจเข้านี่คุณของพุทธธรรมสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าความเกิดแก่แกบตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าความเปลี่ยวามความเล่าในสักลในร่างกายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออืแ่ะผลที่ผ่านฝ่าเกิดฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าทาฝ่ายเกิดดับก็มีอยู่ทุกลมหายายใจเข้าถ้าจับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตีความหมายได้หมดเฉียงทิศจะมีกี่นราธก็เชื่อไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใด คำสอนใดๆก็เป็นกลางึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่รู้ไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นหนูก็พูดรู้และไม่รู้ไม่ขึ้นหนูก็พูดเชื่อและไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวั น, วนกลางคืนเรียกว่าอริยรสัจะคุณจริงอยู่ไม่มีกลางวั น, วนกลางคืนเชื่อมในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึ่งได้หลายทางนําให้น้องครองเบ่งวางต่างๆ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 ชาวโลกตั้งคนไม้ก้นหมูก้อนพักก้นพวกไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันหมูมากลากไปลากไปทางผิดมันก็ไปตกเถีวหมดลากไปทางถูกมนจึงจะไปทางเจริญผู้มีกิเลสน้อยก็ลากไปน้อยผู้มีกิเลสมากก็ลากไปมาก ให้โกงคำด่ามดาบบ้างชาวโลกแย่งกันอยู่บาดมือเฉือนมือฆ่ากันตายอยู่ไม่มีการวันกลางคืนเอา้าร่วงระเบิดกันอยู่ทุกวันนี้พระร่วงมาจากข้อไหนฆ่ากันตายอยู่ทุกหย่อมยากก็มาจากตัวปานาติบาทใช่ไหมรักศกยกหอก็มาจากอนนาเทานนาธาคารเมเลสุเมสตาจ่าพูดปลดปลอกรวงต้มตุนกันฆ่ากันเมื่อึงพึงพืชอยู่ทุกวันนี้ก็ามาจากศิ้นหา้าใช่ไหมนั่นนั่นนั่น นั่นอยู่ที่ไหนก็นั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พิจารณานั่นเองนั่นน่ะน่ะเอ้าผู้ที่ทําผิดไปเป็นพยานพระพระสมาธิพุทธเจ้าผู้ที่ทําถูกก็ไปเป็นพยานพระพุทสมาธิพุทธเจ้าพระพุทสมาธิพุทธเจ้าพูดได้หมดแล้วไปทางเส้นนั่นไปทางผิดเนอไปทางเส้นนี้ไปทางถูกเนอะพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นแล้วผู้ไปลงนรกก็เป็นพยานพระสมาธิพุทธเจ้า พระทำอย่างนั้นลงนรกเนอคทำอย่างนั้นไปสวรรค์นเนอะอเขาก็จะเจ้าได้ทั้งทางขึ้นทางล่องใช่ไหมแน่นนั่ น, น, นถ้าคนดีไม่มีในโลกคนดีก็สืบพระพุทธศาสน า, ศาสู่ความดีไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ทำชั่วมาแข่งก็ไม่รู้จักคนดีคนชั่วเหมือนกันเอา้าทำไมเราจึงอาบนะ้ำก็พระร่างกายมันสกรปรก ทำไมเราจึงรักษาธรรมะปฏิบัติธรรมะพระ จ, จิตใจมันสกรปรกจะเอาอะไรมาร้างมันก็เอาธรรมะของพุทธศาสนามาบังคับมันเรียกว่าลูกมีพ่อมีแม่เรียกว่าชาติไม่แตกหรอกเอาคำสอนพุทธศาสนาไปสอนตนนั่นันน